หรือเวลาอีกเดือนเดียวก็จะถึงวันเกิดของสมภารวัดป่ามะม่วงท่านรอคอยโอกาสนี้มานานถึง2ี่สิบปีเพราะหลวงพ่อในป่าบอกไว้เมื่อครั้งกระโนนว่ารอให้อายุส5ส้าค่อยพบกันวันเกิดปีนี้จึงมีความหมายสำหรับท่านยิ่งนักเพราะจะได้รู้ว่าหลวงพ่อในป่าท่านเป็นใครมาจากไหนโยมผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็ก เลี้ยงควยอายุแปดขวบหลวงพ่อองค์นี้ท่านก็รูปร่างหน้าตาและท่าทางอย่างนี้กระทั่งเขาอายุแปดสปีท่านก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและที่น่าแปลกคือผมของท่านดําสนิทไม่มีเหงาะแม้เส้นเดียวท่านจะยังรูปร่างหน้าตาเหมือนตอนที่เราพบหรือเปล่านะและโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้น จะยังมีชีวิตยอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้าอยู่ก็คงย่างเข้าปีที่ร้อยห้าอาจจะเดินไม่ไหวแล้วกระมังภิกษุวัย45หย่อนย่อนคิดคำหนึ่งอยู่ผู้เดียวหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนให้ทราบเพิ่งคิดออกเดี๋ยวนี้เองพระมหาบุญขึ้นมากราบเรียนเรื่องอะไรละ่ะ แล้วทำไมเพิ่งมาคิดออกตอนที่คิดออกกำลังทำอะไรอยู่ท่านถามสามคำถามในคราวเดียวคือผมจะสร้างพระเครื่องให้หลวงพ่อแจกญาติโยมในวันเกิดไม่รู้ว่าทำไมถึงเพิ่งคิดออกแล้วตอนที่คิดออกนั้นผมกำลังนั่งกรรมาฐานอยู่ครับอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาเองผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันพิกษุหนุ่มตอบได้ครบทุกคำถาม จะเอาอย่างนั้นหรือจะสร้างกี่องหละคิดว่า616องค์ครับทำไมถึงต้องเป็น616ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมสงสัยเลขท้ายสามตัวงวดนี้จะออกห1หกระมังท่านพูดเล่นเล่นเลวไหลน่ะเป็นพระเป็นเจ้ายังฝักใฝ่เลขทงเลขท้าย ประเดี๋ยวก็เข้าตำราบอกเลขบอกหวยหวังรวยทางลัดท่านพระครูติงพระก็อยากรวยเหมือนกันนะครับหลวงพ่อตอนผมอยู่บางกอกผมเห็นพระซื้อลอตเตอรี่จนทินแรกแรกก็นึกตำหนิตอนหลังๆก็ทำใจได้แล้วเคยซื้อกับเขาบ้างไหมเคยคิดเหมือนกันครับแต่ไม่กล้าทำ เพราะกลุหลวงพ่อจะเสียชื่อเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยละ่ะเกี่ยวสิครับเพราะถ้าผมทำอะไรไม่ดีคนเขาก็จะนึกตำหนิหลวงพ่อว่าเป็นสมภารยังไงทำไมถึงไม่อบรมพระลูกวัดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าพระที่เธอเห็นซื้อลอตเตอรี่นั่นเพราะพวกเขาอยู่วัดที่มีสมพานไม่ดีใช่ไหม ท่านพระครูย้อนสมภารน่ะตัวดีเลยครับหลวงพ่อเพราะที่ผมเห็นน่ะสมภารซื้อเองลูกวัดไม่มีเงินซื้อหรอกครับมหาบุญพูดเข้าข้างลูกวัดด้วยกันงั้นที่เธอไม่ซื้อเพราะไม่มีเงินดังหากแล้วแกล้งพูดกลบเกลื่อนว่ากลัวฉันจะเสียชื่อท่านพระครูยังคงรุกเพื่อให้พระลูกวัดจนมุม นั่นเป็นเหตุผลรองครับแต่เหตุผลหลักก็คือผมกลัวหลวงพ่อจะเสียชื่อแล้วอีกอย่างผมคิดของผมเองว่าการที่พระทำอย่างนั้นมันเป็นโลกะวัชะเป็นข้อเสียหายที่โลกขติเตียนเพราะถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณะสาูปหรือหลวงพ่อว่าเหมาะสมผมจะได้ทำบ้างผู้อ่อนวัยกว่ายุว่วเยาอาจจะเหมาะสำหรับเธอ แต่คงไม่เหมาะสำหรับฉันคนเราต่างจิตต่างใจกันจึงมีรสนิยมต่างกันจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้แน่หลวงพ่อครับรู้สึกว่าเราจะหลงประเด็นกันแล้วนะครับที่ผมขึ้นมานี่ก็เพื่อจะเรียนหลวงพ่อว่าผมจะสร้างพระเครื่องให้หลวงพ่อแจกญาติโยมในโอกาสที่หลวงพ่ออายุครบ45ปี และอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าผมควรจะนิมนต์ใครบ้างมาทำพิธีพุท ธ, ธาพิเศษอย่าให้ต้องยุ่งยากขนาดนั้นเลยเพียงเธอกับฉันสองรูปมานั่งบริกรรมก็พอเราสร้างเพื่อแจกญาติโยมไว้เป็นพุท ธ, ธานุสติมิใช่เพื่อความคลังความศักดิ์สิทธิ์แต่ประการใดเอาละ เธอไปจัดการตามขั้นตอนก็แล้วกันฉันมีผงสมเด็จโตที่ได้มาจากหลวงปูน่นาคจะปั่นให้ส่วนหนึ่งพูดถึงตรงนี้ทำให้ฉันนึกได้ตอนฉันไปสีลังกาได้ดินจากวัดพระเคี้ยวแก้วมากำหนึ่งฉันอธิษฐานขออนุญาตนำมาเป็นที่ระลึกเพราะดินแดนแห่งนี้เป็นที่ที่พระพุทธองค์ เคยเสด็จมาแล้วดินที่หลวงพ่อพูดถึงอยู่ในครับอยู่ในย่ามฉันเอาใส่ ย, ย่ามมาแล้วก็ลืมไปเลยพอเธอมาพูดเรื่องสร้างพระทำให้นึกขึ้นได้ปลดเดียวฉันจะมอบให้เธอทั้งผงสมเด็จโตและดินที่ฉันนำมาจากสีลังกา ท่นลุกขึ้นไปหยิบย่ามสีเขียวมาแล้วหยิบผ้าขาวปูตรงเบื้องหน้าหยิบของอื่นๆออกจากย่ามแล้วจึงเทย่ามเพื่อให้ดินหล่นลงบนผ้าขาวแต่น่าอัศจรรย์สิ่งที่ร่วงลงมาบนผ้าขาวกลับไม่ใช่ดินหากเป็นพระาธาตุอ้าวไงกลายเป็นพระาธาตุไปเส้นแล้วตอนที่ฉันหยิบมายังเป็นดินอยู่นี่นา ท่านพูดด้วยรู้สึกประหลาดใจเหลือจะกล่าวคงจะด้วยเหตุสองประการเป็นแน่พระมหาบุญพลอยแปลกใจไปด้วยเหตุสองประการอะไรท่านพระครูถามด้วยไม่เข้าใจการที่ดินกลายเป็นพระธาตุไม่ใช่เรื่องธรรมดา น, นะครับหลวงพ่อเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ทีเดียวผมสันนิษฐานว่าจะต้องเป็นด้วยเหตุสองประการคือประเทศศรีลังกา ต้องเป็นดินแดนมหาสัจจรรั์ที่มหาสัจจรรั์เพราะเป็นดินแดนที่พระพุทธองค์เคยเสด็จมาประทับรอยพระบาทประการที่สองเป็นเพราะบุญบา ร, รมีของหลวงพ่อถ้าคนอื่นนํามาดินก็อาจเป็นดินดังเดิมไม่กลายเป็นพระาธาตุไปได้แต่เพราะหลวงพ่อเป็นผู้นํามาดินจึงกลายเป็นพระาธาตุที่เธอพูดมาก็พอจะมีเขาแต่ฉันว่า น่าจะเป็นข้อแรกมากกว่าฉันไม่คิดว่าตัวเองมีบุญบารมีอะไรผมว่าทั้งสองข้อนั่นแหละครับเพราะเหตุนี้กระมังที่ทำให้ผมคิดสร้างพระทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อนและที่น่าแปลกก็คือทำไมความคิดมันแวบขึ้นมาตอนที่นั่งกรรมฐานผมมั่นใจว่าพระที่สร้างขึ้นมาจะต้องคลั้งและศักดิ์สิทธิ์แม้เราไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นก็ตาม พระนุ่มพูดอย่างมั่นใจเต็มร้อยเอาละเอาละเธอจะคิดยังไงก็แล้วแต่ฉันว่าเรามาช่วยกันนับดีกว่าว่าพระธาตมีกี่องค์แล้วเราก็สร้างพระตามจำนวนเท่ากับพระธาตโดยบรรจุพระธาตลงในพระเครื่องแต่ละองค์เป็นความคิดที่ดีมากครับงั้นผมจะช่วยหลวงพ่อนับ ท่านจัดการแบ่งพระาธาตุออกเป็นสองกองแล้วภิกษุสองรูปก็ช่วยกันนับพระาธาตุซึ่งมีขนาดโตกว่าหัวเข็มหมุดเล็กน้อยท่านพระครูนับเสร็จก่อนจึงรอพระมหาบุญซึ่งกำลังนับอย่างตั้งอกตั้งใจของฉันได้297อกงค์ของเธอได้เท่าไรท่านถามเมื่อภิกษุหนุ่มนับเสร็จ ได้มากกว่าของหลวงพ่อครับมากกว่าน่ะเท่าไรละ่ะผมได้319องค์ครับรวมแล้วได้เท่าไรลองบวกกันดูสิฉันตกคณิตศาสตร์ท่านพูดออกตัวพระมหาบุญคิดเลขในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็พูดด้วยเสียงอันดังว่าได้616พอดิบพอดีอาศาัศจรรย์เหลือเกินอะไรจะอาศาจัศจรรย์ถึงปานนี้ หลวงพ่อครับนี่ผมฝันไปหรือเปล่าทำไมเหตุการ์มันมาประจบกันราวกับปาฏิหาริย์ถ้ามีคนมาเล่าผมเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดแต่เพราะผมประจักษ์ด้วยตนเองไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาละเอาละไม่ต้องสาธยายเธอไปจัดการตามที่เธอตั้งใจก็แล้วกันแล้ววันไหนจะให้มานั่งบริกรรมก็บอกฉันมอบหมายให้เธอทาทั้งหมด เดี๋ยวฉันจะปั่นผงสมเด็จโตให้ท่านจัดการนำสิ่งที่หลวงปู่นาควัดระฆังให้ไว้เมื่อย0สิปีก่อนมาแบ่งใส่โถเบญจรงประมาณครึ่งลิตรแล้วมอบให้พระมหาบุญพร้อมกับดินที่กลายเป็นพระาธาตุเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วภิกษุหนุ่มก้มลงกราบสามครั้งจากนั้นจึงนำของสองสิ่งไปยังห้องของท่าน เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไปท่านพระครูเก็บผงสมเด็จโตส่วนที่เหลือไว้ตามเดิมท่านมิได้ให้ไปทั้งหมดด้วยรู้ว่าในอนาคตจะต้องใช้ในโอกาสต่างๆอีกหลายครั้งและสิ่งนี้ก็จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วท่านคงเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีดังที่พระมหาบุญพูด จึงได้มีสิ่งนี้ไว้ในครอบครองการได้พบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่ประเทศศรีลังกาก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านมีบุญเพราะยังไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดได้พบมาก่อนและแม้สมเด็จจะให้เหตุผลว่าท่านตามมหาแพรมาทว่าหลวงพ่อแพรก็ยังไม่เคยได้พบสมเด็จโตดังที่ท่านพระครูได้พบ นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์และเป็นปัจจตังที่ไม่อาจพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นได้แต่ถึงท่านจะมีบุญบารมีสักเพียงใดก็ยังไม่พ้นพวกคน่านซึ่งมีทั้งพระและครืหัดพวกคขามุ่งร้ายต่อท่านอิจฉาริษยาและตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านทั้งที่ท่านไม่เคยตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้ใดเป็นธรรมดาของโลกที่มีมืด ก็ต้องมีสว่างมีดำก็มีขาวมีพานก็มีบัณฑิตแม้บัณฑิตจะไม่เกลียดพานแต่พานก็เกลียดบัณฑิตอยู่ดีอย่าว่าแต่ท่านพระครูผู้ซึ่งเป็นภิกษุธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งเลยแม้พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นยอดของโลกก็ยังมีคนริษยาแต่ในที่สุดคนเหล่านั้นก็มีอันต้องแพ้ภัยตัวเอง คนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านพระครูก็เช่นกันวันหนึ่งพวกเขาก็จะต้องแพ้ภัยตัวเองจนได้พระเครื่องจำนวน616องค์ที่พระมหาบุญสร้างเพื่อให้ท่านพระครูแจกญาติโยมนั้นมีลักษณะแปลกกว่าพระเครื่องทั่ ว, วไปกล่าวคือสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวตรงสีน้าตาลอมทอง สูงสองนิ้วสองกระเบียดกว้างหนึ่งนิ้วสองกระเบียดหนาหนึ่งกระเบียดด้านหน้าเป็นพระเจดีย์ทรงโอข่ํมยอดแหลมตรงกลางเจดีย์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรด้านหลังมีข้อความภาษาไทยเจ็ดบรรทัดจารึกไว้ดังนี้ที่ระลึกพระเคี่ยวแก้วพระพุทธเจ้าพิธีวิสาขาบูชาพระครูภาวนาวิสุทธ าประเทศศรีลังกา27พฤษภาคม2515ายแล้วคนเขาจะรู้ไหมว่าพระครูภาวนาวิสุทธ์เป็นใครสมภารวัดป่ามะม่วงถามพระลูกวัดท่านมีสมณศักดิ์เป็นที่พระครูภาวนาวิสุทธ์หากญาติโยมยังคงรู้จักท่านในานามหลวงพ่อเจริญพวกที่รู้ว่า ท่านได้เลื่อนเป็นพระครูก็พากันเรียกท่านว่าพระครูเจริญบ้างท่านพระครูบ้างคงมีแต่พระมหาบุญกับญาติโยมเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าสมณศักดิ์ของท่านคือพระครูภาวนาวิสุทธิไม่เป็นไรหรอกครับใครไม่รู้ผมจะบอกเขาเองแต่ถ้าเขาไม่ถามผมก็คงไม่บอกบังเอิญที่ไม่พอไม่งั้นผมก็จะวงเล็บไว้ว่าจเจริญทิตตธรรมโม คงไม่เป็นไรในโลกนี้จะหาอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่ได้หรอกครับจะต้องมีขาดตกบกพร่องไม่มากก็น้อยนักประพันธ์เขายังถือคติงานเขียนที่สมบูรณ์ที่สุดคืองานเขียนที่ยังไม่ได้เขียนเพราะเมื่อไรที่เขียนออกมามันก็จะต้องมีจุดบกพร่องไม่มากก็น้อยหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับก็คงต้องเห็นด้วยนั่นแหละออยังมีอีกจุดหนึ่งที่บกพร่อง คือคาว่าวิสาขบูชาที่ถูกต้องไม่มีสระอะเพราะเป็นคําสมมติแต่ไม่เป็นไรหรอกนะก็อย่างที่เธอพูดมานั่นแหละการทำงานทุกอย่างจะต้องมีข้อบกพร่องหรือข้อผิดบ้างคนที่ทำไม่ผิดเลยก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่จะว่าไปแล้วพระที่เธอสร้าง ก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะขอบใจมากที่อุตส่าห์นึกถึงฉันขอให้มีความสุขความเจริญและได้บรรลุมรรคผลโดยเร็วสมภารอวยชัยให้พรพระลูกวดัดลุงพ่อน่าจะให้พรผมให้ศึกโดยเร็วมากกว่าท่านพูดไปอย่างนั้นเองนับตั้งแต่มีรูปร่างใกล้เคียงกับพระสังกระจายท่านก็ไม่คิดที่จะศึกอีก ฉันไม่ใช่พระยุคใหม่นี่จะได้ให้พรส่งเดชฉันจะให้พรใครก็ต้องดูเสียก่อนว่าเขาจะได้ตามนั้นจริงหรือไม่ถ้าไม่ได้ฉันก็จะไม่ให้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นพูดเท็จว่าโดยหลักการแล้วพรไม่ใช่สิ่งที่จะให้กันได้แต่เป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเขาเอง ดูอย่างพรที่พระพุทธองค์ให้สิอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปั จ, จายิโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเห็นไม่ว่าพรจะเกิดก็ต้องทำใช่ว่าจะได้มาเฉยเมยเมื่อไรกันสเสด็จพ่อของพวกเราท่านลึกซึ้งมากคำสอนของพระองค์ไม่มีส่วนไหนที่จะโต้แย้งได้เลยเพราะเป็นสัจธรรม เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นผู้ค้นพบและนำมาสั่งสอนชาวโลกใครปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับผลด้วยตัวของเขาเองเอาละทีนี้เธอก็ไปจัดการเรื่องงานทำบุญในวันพรุ่งนี้ดูเรื่องข้าวปลาอาหารให้พร้อมคงจะมีญาติโยมมากันมากกว่าทุกครั้ง ลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับฉันก็คิดเอาเองนะสิแล้วก็มักจะไม่ผิดจากที่ฉันคิดเสีด้วยคนไม่เข้าใจก็เลยพากันคิดว่าฉันเป็นพระคลังบ้างเป็นพระศักดิ์สิทธิ์บ้างอันที่จริงไม่ใช่เรื่องของความคลังความศักดิ์สิทธิ์อะไรหรอกแต่เพราะฉันปฏิบัติมามากฉันยังจำแม่นนะ สมัยที่ชั้นธุดงไปที่จังหวัดขอนแก่นไปพบพระในป่าท่านสอนว่าสติปัฏฐานระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ตอนนั้นฉันยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ต่อเมื่อปฏิบัติได้ถึงรู้ว่าเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อในป่าท่านพูดไว้ทุกประการฉันจะนำวิชานี้แหละ ไปสอนญาติโยมเขาเพราะเป็นของจริงแต่พูดเขาพูดเธอคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยชอบของจริงกันสักเท่าไหร่ชอบแต่ของปลอมก็เลยถูกหลอกไปตำตามกันส่วนฉันไม่ชอบหลอกใครเรื่องจะให้ใบหววจะให้ปลุกเสกอะไรฉันไม่ทำให้ต้องอายผ้าเหลืองเปล่าเปล่ า, เ, ลาเอาละเธอไปได้ ตกลงหลวงพ่อจะไม่อนุญาตให้ผมศึกจริงๆหรือครับพระมหาบุญเกิดความรู้สึกอยากจะยั่วท่านพระครูจึงพูดว่ารอไว้สึกพร้อมผมท่านรู้ว่าพระลูกวัดยั่วท่านไปอย่างนั้นเองพระหนุ่มจึงกราบสามครั้งแล้วรีบลงไปโดยเร็ววันรุ่งขึ้นมีญาติโยมและสิทยิญาณนุสิ์ มาร่วมแสดงมุทิตาสการะในงานทำบุญคล้ายวันเกิดของพระครูภาวนาวิสุทธ์จำนวนเกินพันที่รีบมาแล้วก็รีบกลับมีจำนวนครึ่งต่อครึ่งครั้นถึงเวลาที่ท่านแจ ก, กพระจึงมีผู้อยู่รับ616คนพอดิบพอดีเป็นอันว่าพระเครื่องที่พระมหาบุญสร้างขึ้นถวายท่านพระครูถูกแจกจ่ายไปจนหมด ไม่มีเหลือแม้แต่องค์เดียวแม้พระมหาบุญเองก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์นายแดงกับนายขาวผู้เป็นลูกศิษย์ก้นกุติก็ยังไม่ได้กับพระมหาบุญท่านพระครูพูดว่าเธอไม่เก็บไว้ก็ดีแล้วเพราะสมณนะย่อมไม่สะสมวัตถุแต่ถึงอย่างไรเธอก็ได้บุญครบ616 ถ้าเธอเก็บไว้หนึ่งองค์บุญของเธอก็จะเหลือห1 5แต่กระฝาแฝดสองพี่น้องท่านกลับพูดว่าฉันอธิษฐานไว้ว่าขอให้คนดีมีปัญญาเท่านั้นมารับแจกส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้ขอจงอย่าได้เพราะของดีก็ต้องอยู่กับคนดี ถึงจะคู่ควรกันหลวงพ่อไม่ให้แล้วยังมาพูดให้ผมกับน้องต้องช้ำใจอีกหลวงพ่อใจร้ายแฟดพี่ต่ว่าต่อขาน